ีเ ร, เรื่องไอบ้บ้าในโรงเรียนช่างกลแห่งหนึง่งนักศึกษาเป็นชายล้วนทั้งชั้น และค่อนข้างแก่นเกเรด้วยในชั่วโมงสอนภาษาไทยนั้นอาจารย์ที่ทำการสอนวิชานี้เป็นคนเจ้าระเบียบมากทำให้นักศึกษาไม่ชอบอาจารย์ผู้นี้นักศึกษาคนหนึ่งเขียนแผ่นกระดาษวางไว้บนโต๊ะครูตัวเบอร์เรอร์เชียว์เรว่าไอ้บ้าเป็นการด่าครูอาจารย์สอนภาษาไทยผู้นี้ เมื่ออาจารย์ภาษาไทยคนนี้เข้าสอนตามปกติเหลือบตามองไปบนโต๊ะก็สงบสติอารมณ์ทำเฉยไม่สนใจและก็เริ่มทําการสอนภาษาไทยตามปกติโดยสอนการเขียนจดหมายซึ่งนำเข้าสู่บทเรียนว่าถ้าจดหมายนั้นไม่มีชื่อผู้เขียนเขาจะเรียกว่าบัตรสนเทศแล้วก็สอนเข้าสู่เนื้อหาทันที โครงสร้างของจดหมายจะต้องบอกสถานที่ที่เขียนว่าเขียนมาจากที่ไหนจากนั้นก็จะบอกวันที่เดือนปีที่เขียนว่าเขียนตั้งแต่เมื่อไรบอกเรื่องอะไรถึงใครแล้วก็ดำเนินเรื่องที่ต้องการบอกให้ทราบสุดท้ายก็จะต้องลงชื่อผู้เขียนเป็นสำคัญในตอนท้าย อาจารย์พูดว่าวันนี้ครูได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนและวางไว้ให้ครูบนโต๊ะซึ่งจดหมายนี้แปลก ด, ดีไม่บอกสถานที่เขียนไม่ลงวันที่เดือนปีเนื้อหาก็ไม่มีว่าเรื่องอะไรมีแต่ลงชื่อไว้ว่าไอ้บ้าปรากฏว่า นักศึกษาทั้งชั้นเฮฮากันครืนเพราะรู้ว่าใครเป็นคนเขียนและคนที่เขียนนั้นก็คือไอ้บ้าไงละ่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยปัญญาอย่าใช้อารมณ์ตั้งสติใจเย็นๆปัญหาทุกอย่างแก้ได้เสมอ